ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2554รมีชื่อเรื่องว่าพระราชากินเนื้อคนวันนี้เป็นวันที่22 พฤศจิกายนพุทธศักราช2554แล้วก็พระของเราก็32รูปถึงจะมีพระมากหรือน้อยพวกเราก็ปฏิบัติธรรมอย่างเก่าเหมือนกับพวกเราถึงจะมีคนมากกดนน้อยก็ทานอาหารให้ติดอิ่มอย่างเก่าถ้ามันมีนะถ้ามันมี เราก็พยายามทานอาหารให้อีบอย่างเก่าถึงจะมากหรือน้อยแล้วก็ไม่มีใครที่จะทานอาหารแทนเราได้อีกต่างหากถึงจะคนมามากเขาจะทานอาหารแทนเราก็ไม่ได้ถึงจะคนมาน้อยเขาจะทานอาหารแทนเราก็ไม่ได้เราเป็นคนทานอาหารเองนี่ก็เหมือนกันถึงจะมีหมู่มากเราก็ปฏิบัติธรรมเองละกิเลสเอง พ้นทุกเองตกนรกเองถ้าทําความชั่วนะเพราะฉะนั้นเราจะได้คิดว่าหมู่มากหรือหมู่น้อยพระพุทธเจ้าท่านว่าถึงจะมีหมู่น้อยไม่มีมีหมูไม่มีหมู่เฉลยไม่มีใครเฉลยให้อยู่องค์เดียวให้อยู่คนเดียวแย่แต่อย่าไปทําความชั่ว น, ะนี่แหะความชั่วนะสําคัญ ในหลักของพุทธศาสนาถึงจะมีหมูมากทำความชั่วก็ไม่ดีถึงจะมีหมูมมมมหมน้อยอยู่องค์เดียวแต่ก็ยังไปถล่มทำความชั่วอีกยิงแย่อีกเพราะนั้นอย่าทำความชั่วถึงจะอยู่องค์เดียวถึงจะไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่องค์เดียวแต่อย่าทำความชั่วเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีทำแส่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม แล้วกการทำความชั่วมีมากมากมีมากลากหลายเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่อยู่แก่กินทำความชั่วก็มีฆ่าคนอื่นกินก็มีป้นจี้คนอื่นกินก็มีโคดโกงคนอื่นก็มีฆ่าคนอื่นก็มีขโมยคนอื่นก็มีละหลาบละลวงสามีภรรยาคนอื่นก็มีโกหกคนอื่นก็มี ดื่มชราคาชติทำความชั่วมากไม่ ห, หลายหลายอย่างก็มีความชั่วไม่มากเพราะนั้นถึงเราจะอยู่น้อยหรืออยู่มากอย่าทำความชั่วในหลักของพระพุทธศาสนาความชั่วคำนี้เนยจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องจะไปเห็นแก่อยู่แก่กิน นาเหตูปิกระยะปาปังไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินคนเราเห็นแก่กินทำบาปมีมากเหมือนกันนะในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ได้สาธกขึ้นเป็นชาดกน่าคิดเหมือนกันสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดสวยพระชาติเป็นพยาสุทธโสม แต่สมัยนั้นนี่แหละเมืองที่เรียนวิชาอาชีพวิชาเนะี่ยวิชาสมัยนั้นโเมืองตกนะกัศิลาเนี่ยเมืองตะกัศิลาก็คือเมืองธริบันทุกวันนี่แหละเมืองธริบันทุกวันนี่นี่แหละเมืองตะกัศิลาเก่าที่ในหลักของพุทธศาสนาที่อ้างอิงที่ใดก็เมืองตะกัศิลาเป็นเมือง เรียนวิชาความรู้จากทิศปามกอาจารย์สมัยนั้นแปลว่าเมืองตะกศิลานเป็นเมืองเก่งทางวิชาความรู้ทุกอย่างแปลว่าอาัจฉริยะอาจารย์ทั้งหลายจะไปเกิดที่เมืองนั้น เ, เวลาเวลาใครจะไปเรียนวิชาอาชีพการทำมาค้าขายการศึกสงครามดูดวงดูดาว วิชาคณิตวิทยาคณิตอะไรจะไปเรียนในนั้นตลอดถึงวิชาแพทย์วิชาหมอในชีวกโกมาลพัฒหมอชีวกโกมลพัฒก็เนี่ยไปเรียนเมืองตะกศิลาเนี่ยไปเรียนเรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบเอออาจารย์ครับผมเรียนวิชากับอาจารย์เนี่ย อายาตัวนั้นต้นไม้ตัวนั้นผสมอันนั้นเป็นยาอันนั้นดินตัวนั้นผสมตัวนั้นเป็นยาประกับต้นไม้ตัวนี้ผสมเป็นยาตัวนั้ น, ม, น, นมันก็ห่างขวางไปเลยไม่รู้จะเป็นยาอะไรตัวยาอะไรผมก็เลยวิชาความรู้ผมเรียนมาหลายปีไม่จบหรือเปล่าอาจารย์ติดสับปะโมกปะ่ปะเออไปเข้าไปดูป่าไปเดินเข้าไปในป่า ถ้าเดินเข้าไปในปา่าต้นไม้ต้นไหนดูแล้วไม่ต้นนี้ไม่รู้จักว่ามันเป็นยาอะไรต้นไม้ต้นนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ศึกษาว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยาอะไรให้กลับมาบอกเราอาจารย์บอกให้หมอชีวโกโกมลพัฒหมอใหม่ชีวกโกมลพัฒก็เดินเข้าไปในปา่าหลายวัน ต้นนี้เป็นยานั้นต้นนั้นเป็นยานี่สมุนไพรนี่เป็นยานี่เถาวันนี่เป็นยานี่พัชเพื่อนี่เป็นยานั้นกลับออกมาบอกว่าอาจารย์ครับผมเข้าไปเดินเข้าไปในป่าดูทุกไม้ทุกต้นไม่มีต้นไม้ต้นไม้ไหนหรือว่าพัชพัชเพื่อไหนที่ไม่เป็นยาเป็นยาบดครับไม่มีไม่มีอทิสัาประโมกก็บอกว่าอาจารย์ก็บอ ก, อาา ก, บบอกเออนั่นแหละจบละพิชานะ ท่านไม่มีใบประกาศอย่างทุกวันนี้ได้ทุกวันนต้องอาจารย์ต้องทำใบประกาศให้แต่ทุกวันนีนเอาความรู้วัดกันเลยเนี่แหละหมอสมัยนะั้นเขาเรียนจบคันจบอย่างนี้ไม้ทุกต้นอยู่ในป่า เ, เป็นยาทั้งหมดแต่ไม่รู้จะเป็นยาอะไรเป็นยาทั้งหมด อ, อ, อันนี้เป็นว่าจบวิชาหมอของหมอชีวโกโมารพัฒนะ แต่ในวิชาอื่นๆก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเออเอาความรู้วัดกันเลยทดลองเลยไปสอนวิชาให้แล้วตอนนี้ท่านเหงอสมัยนั้นก่อนเมืองต่างๆตั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองนะร้อยหนึ่งหัวเมืองหัวเมืองแต่เมืองใหญ่เมืองเล็กนะส่งกลุ่มบานทั้งหลายใครเขา้าไปส่งเจ้าฟ้าชายทั้งหลายไปเรียนหนังสือไปเรียนเมืองตะกัติลา ก็ส่งไปเรียนด้วยนี่ก็อาจารย์ก็สอนสอนวิชาพิธีรบพิธีอะไรแต่สุดสมโภเป็นเป็นนักเรียนใหญ่ทุกเรียนรุ่นพี่แล้วก็มีปัญญามากเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจอาจารย์อีกต่างหากท่านก็มีปัญญาคล่องแคล่วอีกท่านเออปัญญาทั้งเจ็ดร้อยเอ็ดหัวเมืองเนี่ย นิสัยก็แปกแตกต่างกันนาณาจิตตังน า, นาณาทัศน์ถ้าว่าพวกเราไปเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าทุกคนที่เป็นจบออกไปเนี่ยในรุ่นเนี้ยไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินพวกเราก็ควรจะผูกสัมพันธ์ทำไมตีกันไว้แต่เป็นเจ้าฝ้าชายควรจะผูกเป็นเสียวกันเอางั้นแหละเป็นมิรกันเป็นเสียวกันเป็นสหายกันไม่ใช่ว่าออกไปแล้วก็ พวกเราฆ่ากันเองพอเรียนวิชามาจากอาจารย์เดียวกันแต่แล้วก็จะฆ่ากันเองลบกันเองไม่น่าจะถูกต้องแต่นี่นี่นะชุดโสมเป็นคนมีความคิดเนะีะ่ะแต่แล้นก็พอเรียนจบแล้วก็ออกไปกินเลี้ยงกันนอกเมืองท น, น, นีจบไปได้ไงจบไปเลยก็เอาพวกเราเดินทางเออเอาพวกเราจะเดินทางกับประเทศของใครของเราออกไปนอกเมืองซะก่อนนะ ไปรวมกันที่นั่นก่อนศาลานอกเมืองนอกเมืองตะกสิลาเลยตอนี้ตั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองออกไปออกไปแลยกัจัดอาหารเลี้ยงกันเลยพออาหารเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็ทําสัจจะสาบันต่อกันสัจจะต่อกันทางศาสานาอิสลามเขาเรว่าชุมเปาะนะมั้งอันนี้ ส, สมัยนะั้นเขาตั้งสัจจะ จะไม่ทำร้ายทำลายกันใอคขาว่าเอากีเดเลือดลงในหม้อในกระลำมมังแล้วกับคนคนเข้ากันแล้วก็แปลว่าดื่มเลือดกันแปลว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันจะไม่ทำร้ายทำลายกันในเมื่อเราเป็นได้เป็นผู้ใหญ่ต้องช่วยเหลือกันพวกเร า, เาจากนั้นก็เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันก็ แต่สุทธโสมเนี่ยมองดูแล้วมองดูไอ้เจ้าพมทัศน์เนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก่อนนี้มันจะทำลายหมูมองเลยแต่มันเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะเมืองพาราณสีอีกต่างหากถ้าทุกวันนีกันนู่นละรัสเซียอเมริกาจีนอินเดียเท่นกันที่เป็นประเทศใหญ่ที่นี้ก็แยกย้ายกันไปเมืองตะกัจีลาเขาก็ได้ซ้า เกเขาก็ได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงเมืองแล้วก็พ่อแม่ก็ยกให้สุดโสม น, นก่อนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกแปลว่าทุกคนที่ไปได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมดร้อยเอ็ดหัวเมืองแต่ก็ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุม่มต่างคนก็ต่างอยู่กันพอต่อมาเนี่ยแต่พระยาพรานาสีเนี่ย พระเจ้าพมทัตคนนีนะ้แปลกแตกต่างกว่าหมู่อทุกสมัยนะั้นเขาก็ประกาศได้ทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามมาให้ฆ่าสัตว์อยกเวน้นในวันพระนะี่ยห้ามฆ่าสัตว์ีนะ่ยทุกวันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะอวันพระเขาไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่สมัยนะั้นกะ็ห้ามมาให้ฆ่าสัตว์วันพระหงดแต่นี้พระยา พมมาทัศน์นี่ยไปว่าขาดเนื้อสัตว์ไม่ได้แต่ละวันกินไม่ได้เพราะนั้นครัวต้นพ่อครัวเนี่ยก็ต้องรู้จักละ่พะพะรชากินอย่างเื่นไม่ได้นอกจากเนื้อก็ต้องเตรียมเนื้อไว้สนี่ยทั้งปิ่งทั้งย่างอะไรเตรียมไว้เพื่อวันพุ่งลุ้งขึ้นมันตู้สมัยนะั้นคงไม่มีตู้เย็นมั้ไม่มีน้ําแข็งเนี่ยคงจะเก็บมันไปนเก็บยากกับคงจะทั้งต้มทั้งตุนอะไรไว้ สำหรับพระราชาไม่ให้ขาดแต่วันหนึ่งพระเอิร์ ม, มานี่ยพ่อครัวสะเผายังไงก็ไม่รูเอาเอาอาหารสำหรับพระราชาเก็บไว้หมามากินเออหมามากินเนื้อพระราชาบ่ะนี่ยหมากับหมาพระราชานะงั้นแต่หมาอยู่ในเวียงบงังเขามากินกินแตตายเล ย, เยพ่อครัว กูตายลูกเดียวถ้าไม่ได้อาหารให้พระราชาเนี่ยกูต้องตัดคอแน่ๆข่าวนี้ไงทีนี้กรใครนี่ก็ออกจากนั่นก็น ก, น ก, นกูจะเอายังไงทนีเนี่ยนะพ่อรัวพ่อขัวต้นนะพ่อรัวทำอาหารคิดไปคิดมาไปคิดถึงป่าช้าแต่ไหนวะเนี่อป่าช้าสมัยนั้นคน ตายแล้วไปทิ้งป่าชา้าเขาไม่ได้ฝังไม่ได้เผาน๊ะเอาผ้าพันพันแล้วก็โยนเขาไปในป่าช้าผีดิบจุดแท้แต่หมูหมากาไกา่อีแรงอีกาจะกินตอนี้ก็พั น, พ, นพันเสร็จแล้วเขาก็ไปโยนออกโยนทิ้งๆพ่อครัวนั่นก็เอาตัวรอดมางานแต่เนี่ยไปหาเชื้อนะี่พ่อครัวแม่คัวนะี่ยระวังให้ดีก็แล้วกันเหมางานแต่ถ้าไม่มีอะไรเอาของปแปลกๆตอนี้พ่อครัวก็เดินเข้าไปเขาไปเห็นป่าช้า ไปเห็นคนตายใหม่ๆเหมือนกันนะเนี่ยพอตายใหม่ก็เอามีดเอาเนื้อขาลํา่ำเหล่านั้ น, นนะเอาเนื้อทีลำล่ำเนี่ยตรงไหนที่มันจะอร่อยเนะี่เออถ้าเอาเนื้อขาออกมาแต่ห่ออย่างที่เข้ามาในเวียงวังมาก็ทําอาหารเหมือนกับอาหารอานี่แล้วอาหารหมูอาหารวัวควายนี่แหละเหมือนกันเลยปิ่งทั้งปิ่งทั้งย่างเสร็จเรียบร้อยเออรู้แต่ตัวเองคนเดียวฮนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาอาหารแต่วันลุขึ้นนะกนเพราะอาหารมันไม่มีเนยอย่างหมากินอย่างที่ว่านะนก็จกใส่ถาดใส่ถาดผ่านทองคำขึ้นไปใส่ถ้วยใส่เน่ยนะสำหรับกับข้าวอย่างนี้เหมือนเหมือนตรก่อนเหมือนมีมีอะไรเกิดขึ้นไว้งั้นอ่ะพอยกเข้าไปปรราชาฟินิชใช้คดีความเสร็จแ ล, แล้วตอนที่อย่างมาก ฉวยปกยาหารนั่นพอจีบปั๊บใส่เข้าไปในปากปับ๊บพระราชาเนี่เคยเป็นยักษ์มาก่อนนะเคยกินเคยกินคนมาก่อนนะพอจีบปั๊บเข้าไปในปากเส้นประสาทลิ้นของพระเจ้าพมทั์มันวิ่งสา<อ>มันทั่วร่างกายหมดเลยคายทิ้งคายเนื้อทิ้ง ขายเนื้อทิ้งกว่กันพอใครเนื้อทิ้งเสร็จแล้วมองซ้ายมองขวาเอาให้พ่อครัวอยู่คนทั้งนอกหนีออกหมดเออพระราชสั่งกว่ากันคนไม่เกี่ยวข้องหนีออกหมดให้พ่อคัวอยู่ตายแล้วพ่อครัวพ่อคัวหน้าสี้แล้ไรตัวเนี่ยเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะเอพวก น, นั้นหนีออกไปหมด ปิดประตูเรียบร้อยจูสองตัวอสองออพอครัว พ, พ่อเจ้าเป็นสั่งเลยเถฮะพอครัวอันนี้เป็นเนื้ออะไรวะประเด็นเด็กทาไมเนื้อทุกวันค่าสวุเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้วะอันนี้แหมมันเป็นยังไงวะมันอะไรวะเนื้ออะไรพูดตรงๆนะถ้าพูดไม่ตรงเดีคอขาดนะโอ้อันนี้พอครัวเอาอยัางไงใช่ไหมก็เลย พระเจ้าคายเมื่อวานฆ่าพระองค์เภพามักง่ายเเอาเนื้อไว้ลวหมาในในเวียงในวางก็เลยเข้าไปกินหมดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้ไปเอาเนื้อมนุษย์ที่ป่าช้าเอามาทำอาหารวันนีน้จะเสวยโทษยังไงยังไงก็ขอให้พระองค์โอ้โหสิให้ฆ่าพระองค์ด้วยเถินให้ว่ายอมหมดทุกอย่างกัน พระราชาอ่ะไม่เป็นไรแต่นี้ต่อไปนะต้องเอาอย่างนี้นะมาให้เรากินนะต้องเอาอย่างนี้มาให้เราเสเวยน ะ, ะไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาอย่างนี้นะพระเจ้าข้าว่าไงไปไปเรียกโพนั้นเข้ามาไยไปว่ารู้กันสองคนนะพระราชาโอ้โหกินวันนั้นอะเร็จอร่อยมากานั่นนั่นแต่แก้มเล่าต่างหากกินเนื้อคน เนี่ยฟลอชากินเหล้าใช้ไหมไอ้นี่ก็อพ่อครัวเนี่ก็ไปเอาทุกวันทุกวันเลยเออได้มาบ้างเนีวันไหนไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าข่าววันนี้คนไม่ตายไม่ได้เนื้ออ <Okay. S 1> ถ้าคนไม่ตายขนาดนี้คนตักโทษน่ะนักโทษประหารน่ะหาเรื่องใส่ที่ประหารเนอเข้าไปรับบอกนายขุนกันเลย ในคุมกับประหารเนี่ยแต่เนี่ยเพราะพระราชาสั่งเยให้โทษประหานเลยประหารเอาประหารเอาเอาไปมาคนเนโอ้โทษทําไมประหารบ่อยเหลือเกินคนไม่ทําความชั่วป่ะเนี่คนก็กลัวตายใช่ไหมนะไม่เข้าคุกป่ะเนี่ยพอไม่เข้าคุกเลยเนะี่ยคนไม่เข้าคุกนะไม่รู้จะประหารใครแตนะเนี่อพอครัวก็เขาไปหาอีกบอกว่าไม่มีไม่มีโทษประหารกับผมเพราะคนไม่เข้าคุก พวกคนกลัวตายเอะพราชาคนตามแถวถนนอ่ะไม่มีพ่อมีแม่คนขอทงขอทานเน่ะกลางคืนอ่าไปจัดการเลยนะเป็นที่รู้กันครับผมตอนี้พ่อครัวกันจัดการนะต่เนีไอ้พวกกระจอกงอกง่อยทั้งร้ายแหลอจุดในถนน อยู่ในถนนนะ่ะไม่รู้ว่าตายหายไปทีละคนสองคนคนสองคนนะเอาไปมาปุ๊บวะเนี่ยต่อมาอีกบอกว่าเนี่ยคนที่ในจร์จัดคนที่ไม่มีพ่อมีแม่นะ่ยแถวๆนั้นนะเอามาเลยกินเอามากินต่อคัวไปต่อมาต่อมาเดี่มันเดือดร้อนเลยดี๋ยบอกว่าเออมันมีปริษัทนะปริษัทมีคนกินคนนะในเมืองเราเนะี่ย มันใครไปฟ้องพระราชาพระราชาก็ทำทาหูไม่ได้ยินเพราะตัวเองเป็นทำความชั่วจะเองเนี่ะเจ้าของทำความชั่วน่ยมันไม่ใช่ยุคนั้นสมัยนี้ได้ถ้าตัวเองทำความชั่วน่ยหูไม่ได้ยินเนี่ยถ้าว่าตำรวจทำความชั่วนัทหานความชั่วนะใครทำความชั่วไปฟ้องเละเฉยหนุ่นเงินเธอนี่มันกันะยาโปรตีสัตว์ลักษณะอย่างกันไปฟ้องพระเจ้าเป็น่ดินพระเจ้าเป็นดินคนกินคนนั่นเดี๋ยวเนี่ย น่าจะจัดเวรจัดยามจัดทหารรักษาให้เข้มงวดกวดขันเลยพระราชาโอ้มใช่เหรอไม่ใช่เขาโกหกกันเหรอที่แท้น่ยรู้แก่ใจโพรแรงเลยนยะพอขัวไปหาฆ่าคนมากินเหมือนกันนะผลในที่สุดพระราชาไม่เอาเรื่องนเลยพวกตำรวจทหารก็จัดยานเวร ย, ยามเองน่ยนะรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันเป็นเตรียมเป็นซอยเป็นซอยเป็นซอยเป็น เออจุดเป็นจุดไปแต่นี้พ่อครัวมันไม่มีมอาหารเลยใครมากางค่ำกลางคืนเพ่นผ่านมากันแปลว่าโดดไปมีดตัดคอแล้วก็ตัดแข้งตัดขาได้แต่ขาก็ไรในแต่อข้างใดข้างหนึ่งไปวิ่งเลยนะงั้นเถอะ เ, เพื่อให้หนีหนีให้เร็ว เ, เพื่อจะได้เนื้อมนุษนย์นต่อมากันเลยนะพอตำรวจทหารก็าหยุดเป็นซอยเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, เ, จ ด, เ, จ ด, เ, จดเตรียมพร้อมเละ พ่อครัวก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าความอยากอยากได้เนื้อมนุษย์ทนเองเพื่อพระราชาท่นเองมากันโดดฆ่าคนฆ่าคนกัดตัดขาตัดขากับโผลก็โยวยวายขึ้นมาพวกบริษัทตัดขาแล้วเอาคู่คนทหารกัดลุ่มออกมาสกัดจับได้ทช่ไพอจับได้เป็น พ, พ่อครัวต้นของพระเจ้าแผ่นดินเทไงสักไซไลเลียงดูแลตายพระเจ้าแผ่นดินจินคนเทองนี่แหละ จากนั้นก็จับพ่อครัวได้เป็นสกีปยานยืนยันพ่อครัวไม่รู้จะทํำยังไงอา้าวประ ก, กาศออกมาทถนี้ชาวบ้านก็รวมกันเป็นขบวนเหมือนกับ ก, ก่อมอบอย่างนั้นแนะ่ะเออก่อมอบทั่วเมืองใครจะไม่ไม่ให้ความร่วมมือใชมานหะ่ะเออพระราชาเก่งขนาดก็ให้เก่งนะเอาคนทั้งเมืองกดดันนละมากับเสนาอํามาต ร, ราศเวกทั้งหลายกับ ยืนบอกพระราชาบอกพระราชาจะหยุดไหมถ้าจะหยุดนั่นก็จะให้คลองลาดต่อไปถ้าไม่หยุดมีทางเดียวให้หนีไม่ให้อยู่พระราชานี่ติดเนื้อมนุษย์เทนมาไนงะทำบาปทำบาปพ่อเห็นแก่กินอย่างที่หลวงพ่อยกวาลีขึ้นเบื้องตน้นเห็นทำบาปพ่อเห็นแก่กินผลที่สุดก็เลยเออถ้าพวกท่านทั้งหลายจะให้ฆ่า หยุดเนี่ยข้าหยุดไม่ได้เพราะขาเนี่ยติดในรถอย่างถอนตัวไม่ขึ้นพวกนั้นก็ยกแม่น้ำทางห้ามามันไม่ยอมไม่ยอมข้าไม่ยุตไม่ยุน่ตผลที่สุดเออพวกท่านจะให้ราคข้าออกไปข้าจะออกแต่ข้าเนี่ยขอพ่อครัวเออพ่อครัวกับหม้อกับอะไร เ, เอีอย่างนั้นเท่านั้นข้าเชียสระทั้งหมดไม่เอาพูน่ะ ขนาดนติดติดในรถติดในชาติไม่ได้คิดว่าเขาจะบาปจะกรรมอะไรได้ผลนิสิก็ได้พ่อครัวกับหม้อกับเครื่องทับสัพภระนิดหน่อยออกจากเวียงวางอะไรสละราชสมบัติเลยไปตั้งอยูนะ่ไปตั้งอยู่ทางทางไหนทางเปียวเปียวไปตั้งอยู่ใครใครเดินทางผ่านมา ก, กันเนี่ยนะจัดการให้พ่อครัวจัดการฆ่ากนกินผนละนิสิตใครก็จะไปผ่านเลยนะ คนก็กลัวตายนี่นี่แหละนี่พญาโปธิษัสตร์ในคราวนั้นถ้าหลวงพ่อจะพูดให้จบวันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารเหมือนกันเอเอเอาคนเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้แต่พลที่สุดเนี่ยพญาสุตโสม ท, ที่เป็นเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่เป็นที่รักเคารพของพญาโปธิศัสตร์ได้มาปราบได้ได้มาขอร้องยอมรับ แต่ก่อนเธอจะยอมรับโอ้โหจับปญาร้อยเอ็ดหัวเมืองมาร้อยมือไว้ทั้งหมดเลยเก่งปัญญาโปริศาสเนี่ยความคล่องแคล่วว่องไววิชาอาชีพวิชาของเขาเก่งมากอนอกจากสุตโสมนั่นน่ะที่จะเหนือกว่าเขานอกนั้นเข า, เขาไม่เป็นรองใครปญากรุงพาราณสีพระเจ้าพมทัตของราชสมบัติกรุงพาราณสีโปริศาสชื่อว่าตุปโรริศาส์นะที่นี่ พอกินคนนะนี่แหละผลนะที่สุดคนเนี่ยจะกินพ่อครัวอีกเนีหาอาหารไม่ได้กินพ่อครัวอีกเหมนกันเอะพ่อครัวไปหาใครที่ไหนไม่ได้มาแล้วเอาพ่อครัวต้มน้ำก่อไฟโอ้โหพ่อครัวเนี่ยทั้งร้องไห้ด้วยทั้งก่อไฟด้วยเหมืนกันเออผลที่สุเดเสร็จแล้วยัง เบิ่งเสร็จแล้วเดินไปเอามีดตัดคอพ่อครัวกินพ่อครัวอีกไม่งั้นได้เนี่ยที่แรกช่วยกันกินคนพวกครัว ก, กับนั่นกินกันกินด้วยกันผลนิจชูนหาใครไม่ได้ก็เลยกินพ่อครัวตัวเองนี่แหละเนี่ยความชั่วจะทําเสียเลดีกว่าเพราะความชั่วเน่ยเมื่อทําไปแล้วเดือดร้อนตัวเองมก็ภายหลังแต่ตามไม่จริงพญาโริสัตว์ใช่ไหมคนคนเดียวเนี่ยกลางคืนกันหนีไปแต่แม่เป็นพ่อครัวเนี่ย นี่ไปฉุดลาบฟ้าเขียวก็ได้แล้วจะไปให้อยู่ทําไมอยู่ให้โง่ทําไมเอ่อันแน่อยู่กับพ่อขุอยู่กับพระราชาผลที่สุดเลยพระราชากินเนื้อตัวเองอีกต่างหากนี่แหละสรุปแล้วนิทานเรือชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระพุพทธเจ้าบําเพ็ญจริยปิบต์ปีนะจริยคือความประพฤติของพระ อ, องค์อยอมเสียสละทุกอย่าง เพื่อมวลชนเพื่อมวลมนุษยชาติและก็แนะนำสั่งสอนพรญาปุริษทให้งดเว้นในการฆ่าแล้วก็ให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็กลับคืนไปของราชสมบัติเป็นพระเจ้าพ ม, มาทัศอีอย่างเก่าพอได้รับโอวาทจากพระเจ้าสุธสมเพราะเป็นรุ่นพี่ที่ฟังเชื่อฟังโตื่นไม่พูดไม่ฟัง นิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้พระเจ้าพญาสุตโสมเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมาพบนิชานนี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนโปริไปโปริศาส์พระเจ้าพมทัศนะเป็นองค์ุริมานเห็นไหมถึงจะดุร้ายขนาดไห น, นก็ฆ่ากันไม่ลงถนะ้าคนกลุ่มเดียวกันนะคนกลุ่มเดียวกันฆนะ่ากันไม่ลงถึงยังไงยังไงก็ยังโผนิจูยังจูบ ป, ปากกันได้เหมือนันเถอะยังรักกันได้ ยังเมตตากันได้ฟังกันได้ถ้าเป็นเทวทัศน์ไม่แล้วไม่หักครังใดก็ต้องหักครั้งหนึ่งเลยเพรงั้นเลยปุถุตียากับเทวทัศน์ไม่ยอมกันได้อแปลว่าไม่ครังใดก็ครั้งหนึ่งแหละต้องพังพินาะ ก, ก่อนยังขอ ย, ยอมกันแต่ถ้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันน่บางทีกัสู้กับภาษาลิบุตรก็มีสู้กับพระอานุ์ก็มีปุถธเจ้าแต่ผลที่สุยอมกันเมตตากันรักกัน เพราะคุณกลุ่มเดียวกัน เ, เพราะนั้นพวกเรานะอยู่ด้วยกันนะที่อย่างมากม้อดมากมายขนาดไหนก็ตามถ้าอยู่ด้วยกันจะแสดงว่าพวกเราเคยได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมาด้วยกันแล้วจึงมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ด้วยกัน เ, เพราะนั้นมีอะไรเมตตากันขาดเหลือขาดตกช่วยเหลือกันจะทำยังไงพวกเราจะเดินไปสู่มรรสู่ผลพน้พนทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานให้ได้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 เอาลับพ่อนถ้าหลวงพ่อพูดให้จบวันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้จันอาหารเรื่องอชาดกเรื่องนี้ยาวมาก